วิธีการฝึกจิตหรือทำสมาธิเริ่มต้นให้ได้ดีงั้นพูดย้ำบ่อยๆด้วยคำหนึ่งคำเพิ่งมาพูดหลังๆนี้คำคำนั้นชื่ออน ah ัตตนิยะแล้วก็ให้ความหมายไว้ว่ า, วาให้เราละความพอใจในสิ่งซึ่งไม่ใช่ของตนสมมติว่ารอบนี้เราจะนั่งสมาธิกี่นาทีก็ช่าง ให้ละความพอใจในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนแล้วนำจิตเข้าไปสู่ความตั้งต้นความตั้งต้นที่เป็นเราตัวเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีความตั้งต้นที่เหมือนกันคือมีแค่รูปกับอะไรมีแค่รูปกับนามหรือกายกับใจ ความตั้งต้นที่เหมือนกันนี้มันเหมือนกันตอนไหนตอนที่เรามีปฏิสนทิในคันของมันดากายกับใจปรากฏขึ้นตอนนั้นแต่มันยังไม่ชัดคือเราไม่สามารถระลึกตามเห็นชัดแต่ที่เราเห็นบ่อยๆเรารู้ชัดเรารู้ทันก็คือเมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่มันไม่มีอะไรเลยตัวท่านๆ่น ดินกระเด็วกระเดีวมีแค่กายกับใจที่เป็นชีวิตไม่มีแม้กระทั่งชื่อไม่มีแม้กระทั่งชื่อเรียกรองเท้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแค่รูปและนามที่ตั้งต้นเราน้อมจิตของเราเข้าไปสู่ความตั้งต้นอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้แปะมีสิ่งอื่นต่างๆเข้ามามากมายมาแปะที่เท้าก็เรียกว่ารองเท้า แปลกไปที่หัวก็เรียกว่าหมวกแปลกไปที่ตาก็เรียกว่าแว่นแปลกไปที่หูก็เรียกว่าต่างหูแปลกไปที่ข้อมือก็เรียกว่าสร้อยข้อมือมั่งนาฬิกามั่งแปลกไปที่นิ้วก็เรียกว่าแหวนแปลกไปที่เนื้อตัวส่วนล่างเรียกว่ากางเกงแปลกไปที่เนื้อตัวส่วนบนเรียกว่าเสื้อเสื้อผ้านะแปลกไปที่ข้างแปลกแปลกแปลกแปลแปลทั้งหมด คือสิ่งที่เรานามาแปะอยู่ตามทั่วตั ว, ตวพราะแปะที่ตัวเต็มทีนี้มันลน้นมันล้นเอาเงินนอกออกจากกระเปา๋าแต่มันยังแปะอยู่มันก็ไปไว้ที่ธนาคารมั่งไปไว้ในลิ้นชักมั่งไปไว้ที่โน่นมั่งเมือนไอว้ที่นี่มั่งที่อยู่หาสัยทรัพย์สินเหินทองทั้งหลายแหลที่มีชื่อเราเข้าไปเกี่ยวปันนั่นคือสิ่งที่นำมาแปะทั้งสิน้นเพราะฉะนั้น การทำภาวนาที่ดีที่ตมาบอกว่าเบื้องต้นเราละสิ่งความพอใจซึ่งในสิ่งซึ่งไม่ใช่ของตนคือในสิ่งที่ไม่ใช่ความตั้งต้นคือกายได้ใจนี้ทั้งหมดละออกไปก่อนอเรียกว่าตัดความกางังวลออกไปให้หมดมบางคนพอพูดอย่างนี้แล้วก็อวดเก่งนะว้ยผมละละละยังไงก็ได้ แต่ลูกผมทิ้งไม่ได้หรอกนะฮะเขไม่ได้ใหรทิ้งคือละมันมีเหมือนเดิมแต่ในการทํบโญอะให้ละความพอใจในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเอาอะไรก็ตามที่มันมาทีหลังจากการมีตนอะ่ะอะไรที่มันมาทีหลังจากการมีรูปมีนามนี้นั่นคือสิ่งแปะระยะเวลาที่เราจะนั่งสงมาธิสามสิบนาทีสีสิวัน ท, นทีเราละไปเลย ละวางไปเลยจิตยังเหลือแค่แม้แต่เราเชื่ออะไรเราก็ยังไม่ไม่สนใจเลยเพราะมันมาทีหลังทั้งนั้นทำอย่างนี้ได้มันจะทำให้จิตเนี่ยเข้าเร็วเข้าส ม, มาธิได้เร็วเพราะนั้นคำว่าละความพอใจในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนมันเป็นสิ่งที่เรานำมาทำมานนัสิการในใจของเราไวา้ ถ้าใครมานั่งสมาธิแล้วเกิดรู้สึกปัญหาหลังจากที่ได้พูดเรื่องนี้ฟังแล้วเนี่ยปัญหานั้นมันก็มาจากอะไรมาจากความพอใจในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนนั่นเองเข้าใจไหมเออทั้นต่อไปนี้เตรียมตัวให้พร้อมปล่อยวางให้หมดก่อนทาสมาธิหมอก็ถอดออกมาเหลือแค่กายใจ ทหารก็ถอดออกมาเหลือแค่กายใจเจ้าของยุปกรี่ก็ถอดมาเหลือแค่กายใจ อ, อ, อายุมากก็ถอดมาอายุน้อยก็ถอดมาถอดทุกอย่างออกมาเหลือแค่กายแค่ใจแค่รูปแค่นามเข้าไปสู่ความตั้งต้นเมื่อพร้อมอย่างนี้แล้วตั้งกายให้ตรงนั่งคูบาลัง ม้วนขาเข้ามาสำหรับคนที่นั่งพื้นนะเก็บมือเอาวางไว้ที่เข่าซ้ายข่าวฝาก็ได้หรือมือซ้ายซ้อนมือฝามือฝา ซ, ออซ้อนมือซ้ายสุดแท้แต่ถนัดตั้งไว้ที่หน้าตักจากนั้นก็ตั้งกายให้ตรงตายให้ตร ง, ตตรงคือตั้งแต่กระดูกสันหลังไปจนถึงคอต่อ ตั้งให้ตรงคือขนานกับพื้นตั้งขึ้นมาตั้งกายให้ตรงให้มันขนานกับพื้นตั้งตรงจิตมีความจิตเข้าไปตรวจสอบดูลําตัวที่ตั้งตรงขนานกับตั้งตรงให้กระดูกสันหลังตั้งขนานกับพื้นดํารงสติ อยู่กับเรื่องราวที่ความเป็นตัวที่ตั้งนั่งตรงนั้นให้สำรวจดูด้านบนเป็นศีสษะก็ตั้งตรงลำตัวมีไหล่ซ้ายไหล่ขวาตั้งตรงจากไหล่ซ้ายไหลลงไปด้านล่างก็เป็นแขนซ้าย ข้มือซ้ายนิ้วมือตั้งแต่หัวแม่โป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยด้านซ้ายด้านขวาก็จากไหลขวาลงไปก็เห็นจนถึงปลายนิ้วมือไอทำในใจรู้สึกเรื่องราวพวกนี้ทําแบบสบายสบายแล้วก็มองรู้สึกได้ถึงน้ําหนักของลําตัวที่ไปกดทับอยู่ในวงขาที่เรานั่ง สะโพกซ้ายขวามีน้ำหนักกดทับอยู่ก็รู้สึกได้เท้าซ้ายเท้าวขวาที่พับกดอยู่กับพื้นมันก็รู้สึกได้เข่าซ้ายเข่าขวาก็รู้สึกได้กายทั้งกายที่ตั้งนั่งอยู่นี้มันรู้สึกได้ เมื่อสูรึกรู้สึกได้อย่างนี้แล้วก็วางไว้ค่อยๆน้อมใจเข้ามาสู่บริเวณใบหน้าของเราใบหน้าของเรานี้ด้านบนเป็นหน้าผากต่ากว่าหน้าผากเป็นคิ้วสองข้างต่ํากว่าคิ้วเดินมาร่องกลางเรียกว่าจมูก ตามกว่าจมูกเป็นเปลือกริมผีปากด้านบนและช่องปากจากนั้นก็เป็นริมผีปากด้านล่างก็ลงมาที่คางออกไปด้านซ้ายเจอแก้มซ้ายออกไปด้านขวาเจอแก้มฝาทำในใจรู้สึกบริเวณใบหน้าของตนได้อย่างนี้ สบายสบายช้าๆไม่ต้องรีบเมื่อรู้สึกตัวได้อย่างนี้เราก็น้อมใจไปที่ช่องจมูกช่องจมูกจะมีสิ่งที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเราเรียกกันว่าลมเราเรียกว่าลมหายใจ เราได้ยินคำว่าลมหายใจและเราได้ยินคำว่าชีวิตเพราะฉะนั้นให้ทำความในใจของตนเองในขณะนี้ว่าชีวิตเราไม่มีอะไรอื่นเลยตั้งนิง่งนั่งอยู่ตรงนี้มีลมหายใจที่เป็นเครื่องไหลออกเครื่องไหลเข้าอยู่ที่ช่องจมกูกกับจิตที่รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกกับจิตที่รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าไม่ต้องเกรงมากทำบสบาย ไม่มีคำอันอื่นใดแม้แต่คำบริกรรมก็ดีการกำหนดใดๆก็ไม่เอาลืมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแค่รู้ตามความเป็นจริงในความรู้สึกในขณะนี้ว่าลำตัวรูปน้ำนี่ที่ตั้งนั่งตรงแล้วก็มีลมหายใจที่เคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าอยู่เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปวิ่งตามลมหายใจเข้าไม่ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องไปวิ่งตามลมหายใจออก เราเพียงแค่รู้ลมหายใจน้อมเข้าไปที่ช่องจมูกในเบื้องต้นหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพอลมหายใจไหลออกจิตรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกที่ช่องจมูก ที่ก็รู้สึกได้ตรงไหนก็ข้าวรู้อยู่ตรงนั้นเขารู้สึกได้ตรงไหนก็ข้าวรู้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องวิ่งตามลมที่ออกไปไม่ต้องวิ่งตามลมที่เข้ามาแค่ข้าวรู้อยู่เฉยเหมือนเราพอๆในหมู่บ้านที่ก็อยู่ในป้อมยาม น, <month> <anecd otal> นั่งมองรถที่ออ ว, ว, วิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าโดยที่ไม่ต้องวิ่งตามรถเข้าไปข้างในเมื่อรถเข้าไม่ต้องวิ่งตามรถ ใจข้างนอกเมื่อรถออกเขาแค่นั่งอยู่ที่ป้อมนั้นแหละเขาสามารถรู้ว่ารถเข้ารถออกอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันเราหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกปล่อยลมหายใจให้ร้อยออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นตรงไหนที่เรารู้สึกได้กับลมหายใจที่ก็เคลื่อนออกเราก็เฝ้ารู้ดูอยู่ตรงนั้นส่วนมากก็จะอยู่แถวปากช่องจมูกนั่นแหละ แล้วเคว้านิ่งๆไม่ต้องวิ่งเข้า ว, วิ่งออกลมเคลื่อนออกก็รู้ลมเคลื่อนเข้าก็รู้ลมเคลื่อนออกก็รู้ลมเคลื่อนเข้าก็รู้เพราะหน้าที่ต่อไปเราไม่ต้องทาอะไรแค่นั่งตัวตรงแล้วก็เควารู้ลมที่ออกเควารู้ลมที่เข้าไม่รู้หละถ้าลมจะออกต้องรู้ว่าลมออกแล้วรู้อย่างไรก็รู้ตั้งแต่ต้นลมที่ไหล ขณะลมการไหลก็รู้ลมไหลสุดก็รู้ลมออกลมเข้าก็ออกก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้อย่างนั้นหน้าที่ของเราตอนนี้เราไม่มีอะไรอื่นเลยในชีวิตรูปนามนี้ไม่มีอะไรที่เป็นความยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่เป็นความพิเศษไม่มีอะไรที่เป็นความสําคัญเราแค่ทําหน้าที่รู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้า ถอยจิตออกมาจากความสาคัญความยึดติดต่ทุกทุกอย่างถอยออกมาให้หมดเลยให้เหลือเพียงแค่ธรรมชาติของจิตที่รู้ที่ตั้งอยู่ธรรมชาติของกายที่ตั้งอยู่ธรรมชาติของลมที่กำลังเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าอยู่แล้วเอาจิตที่รู้อย่างเป็นธรรมชาตินี้ไปรู้ลมที่เคลื่อนออกอย่างธรรมชาตินั้นลมหายใจออกก็รู้ ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ให้จิตได้รู้ลมหายใจที่ไหลออกให้จิตได้รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าลมหายใจเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้นถ้าเขาไม่กเรียบไม่เสเบอคอยแต่จะกระสับกระสาย เราประสงค์ที่จะตกแต่งลมหายใจของเราเราก็เริ่มตกแต่งลมหายใจของเราได้ด้วยการตกแต่งลมให้ยาวให้ยาวแบบสบายๆเอาลมหายใจออกก่อนให้เขาออกแบบยาวๆจิตรู้ลมหายใจที่ออกยาวยาวแบบตั้งใจตั้งใจให้เขายาว รู้ลมหายใจออกยาวและรู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวรู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาว รู้ลมหายใจเข้ายาวตกแต่งลมหายใจไปอย่างนี้รู้ลมหายใจไปอย่างนี้โดยระยะเวลาหนึ่งให้รู้ให้ธรรมชาติจิตที่รู้ธรรมชาติลมที่ยาวตกแต่งกันไปให้จิตมันคอยรู้ลมที่ออกยาวให้จิตมันคอยรู้ลมหายใจที่เข้ายาว ก็รู้ลมหายใจออกยาวรู้ลมหายใจเข้ายาวอย่างนี้สบายสบายไม่ต้องเกร่งไม่ต้องขึงไม่ต้องตึงจนเกินไปไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลไม่ต้องเรื่องใดๆทั้งสิ้นแค่รู้ลมหายใจที่ไหลออก ยาวรู้ลมหายใจที่ไหลเข้ายาวทำลมหายใจอย่างนี้ตกแต่งลมหายใจอย่างนี้เพื่อให้จิตนี้ได้อยู่กับลมหายใจต่อเนื่องนานๆลมหายใจก็จะเป็นเครื่องอยู่ของจิตท่านในเบื้องต้นทำลมหายใจยาวก็รู้ทำลมหายใจสั้นก็รู้ ทำลมหายใจออกยาวก็รู้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้เป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ว่ามันมีความง่วงปรากฏให้ตั้งกายให้ตรงไม่ต้องไปกังวลว่าเราพอมันง่วงแล้วตั้งกายให้ตรงการภาวนาก็หยุดจิตที่รู้ก็ออกจากรมหายใจไม่เป็นไรเราแค่เริ่มต้นรู้ใหม่แค่แค่นั้นเองไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปกังวลอะไร พะมันไม่พร้อมมันไปหลุดไปอยู่กับเรื่องอื่นเราแค่วางเรื่องเหล่านั้นแล้วกลับมารู้ลมหายใจใหม่อันนี้เรียกว่าเริ่มตั้งความเพียรอีกครั้งแล้วก็รู้ลมหายใจทำลมหายใจแต่งลมหายใจให้ยาวนะแล้วก็รู้ไปทั้งยาวเลยตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมหายใจทาลมหายใจยาวรู้ ถามันเกิดความพุ้งซ่านคําว่าพุ่งซ่านคือจิตมันสัดสายมันไม่นิ่งมันไม่แน่แน่อยู่กับลมหายใจมันพุ่งซ่านจากเรื่องนู่นเรื่องนี้ให้จิตปักไปอยู่กับลมหายใจ ที่รู้ลมหายใจในขณะนี้เราแต่งลมยาวทำลมยาวเบาๆกลางๆอย่ารีบร้อนใจเย็นๆไม่ไปบังคับไม่ไปฝืนไม่ไปกดดันไม่ไปบีบคั้นจิตในชีวิตตั้งชีวิตของเราในขณะนี้มันไม่มีอะไรเลย มันมีเคร่งจิตที่รู้กับลมหายใจที่ถูกรู้เราแค่เข้าไปปรับแต่งให้ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งถูกรู้มันสบปายะกับจิตที่รู้มันรู้และสบายรู้และไม่อึดอัดงั้นตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการรู้ลมตกแต่งลมไม่ยาวไอจิตที่รู้ลมหายใจก็ความรู้นิ่งนิ่งอยู่ตรงช่องจมูก พอลมหายใจมันเริ่มไหลออกเราก็แค่รู้ลมหายใจก็จะเคลื่อนไปจิตก็จะเค้ารู้อยู่ตรงนั้นไม่วิ่งออกไปจิตไม่ไปกังวลสงสัยว่าลมในที่ออกไปนั้นหายไปไหนจิตไม่ไปไกังวลสงสัยว่าลมนอกที่ไหลเข้ามาในทรว ง, งจมูกนั้นไหลเข้ามาแล้วไปถึงไหนไม่สนใจ แค่ข้ารู้ดูนิ่งๆว่าลมมันผ่านตั้งแต่ต้นลมกลางลมและสุดลมหายใจส่วนเงินมันจะเข้าไปไหนมันจะออกไปไหนก็เรื่องของลมเราไม่ไปสนใจเราสนใจแค่ลมที่มันเคลื่อนอยู่ที่กายของเราตั้งต้นตั้งแต่ลมเคลื่อนเข้าตรงช่องจมูกก็สุดอยู่ตรงนั้นเคลื่อนออกออกทางช่องจมูกก็สุดอยู่ตรงนั้นเราคือแค่ข้ารู้ดูอย่างระมัดระวังลมที่เคลื่อนออก ระมัดระวังลมที่เคลื่อนเข้าไม่ไปบีบคัน้นไม่ไปกำหนดไม่ไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรให้กับจิตที่ให้จิตรู้สึกว่ากดดันลำบากหงุดหงิดทำยากพุ้งจานรํำาำคาญแต่จะปล่อยให้เกิดความอิสระขึ้นที่จิต จิตที่รู้จะมีอิสระไม่ถูกจิตรู้ตัวใดๆกดดันจิตรู้ที่รู้อยู่ขณะ น, นี้มันเป็นจิตรู้ที่มีคุณภาพมิมีประทบการณ์รู้ลมหายใจออก มีประสบการณ์รู้ลมหายใจเข้าตอนนี้ชีวิตเราก็มีลมหายใจที่มีเครื่องถูกรู้กับจิตที่รู้ลมหายใจมีอยู่เท่านั้นแล้วก็มีอยู่เท่านี้จริงๆหายใจออกรู้หายใจเขารู้ ยังอยู่ในจังหวะที่ประคองลมยาวนะตกแต่งลมยาวกลางกลางใบา ย, บายจิตรู้ลมหายใจออกจิตรู้ลมหายใจสั้น ถ้ามันเกิดความง่วงขึ้นให้ตั้งกายให้ตรงนะให้สังเกตความง่วงจะมาหาเราตอนที่กายเราไม่ตรงพอเขเข้ามาแล้วเขาก็จะดึงกายเราโดยเฉพาะส่วนบนศีรษะให้กลมไปข้างหน้ามั่งให้เอียงไปข้างซ้ายมั่งให้เอียงไปข้างขวามั่งเราจะต้องแก้ไขความง่วงนี้ให้หายไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละอย่าง ลมหายใจเวลาไหลาออกให้ทั้งเกตได้จังหวะลมยาวกว่ามันจะเรียบกว่ามันเสเบอร์ตอนแรกๆเราก็จะเห็นบางครั้งต้นลมจะแรงกลางลมจะเบาปลายลมก็จะแรงมันมีทั้งความหยาบความปราณีตความเบาความแรงความสว่าง จิตเราแค่เข้าไปรู้แค่ไปรู้ในสภาพของลมที่มันไหลออกเข้าไปรู้ในสภาพของลมที่มันไหลเข้าก็เราปรับแต่งลมหายใจแบบยาวๆอย่างนี้ต่อไปเราก็ปรับแต่งลมหายใจให้สั้นลงลงสั้นลงสิสั้นลงกว่าปกติก็คือเราหายใจตามปกติก่อนรู้ลมหายใจออก รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าพอใจปกติได้เราก็รู้ลมหายใจออกแต่ทำลมหายใจให้สั้นลง ทำลมหายใจให้ปกติจากนั้นทำลมหายใจให้สั้นกว่าปกติหน่อยหนึ่งที่มันสั้นแต่มันไม่ได้สั้นมากมันเพียงแค่สั้นเราหายใจสั้นแล้วก็เร็วขึ้นหน่อยเหมือนนักฟุตบอลที่เอาลูกรวนมาตั้งไว้ที่เท้าแล้วก็เขี่ยสั้นๆนเขี่ยซ้ายไปขวาเขี่ยถวาไปซ้ายเขี่ยซ้ายไปขวาเขี่ยขวาไปซ้าย เขี่ยไปสั้นๆลูกก็จะเกาะอยู่กับเทา้าเท้าก็จะเกาะอยู่กับลูกคุชบอลอยู่อย่างนั้นไม่หลุดหายไปไหนจิตมันหายใจออกก็รู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ เราอยู่ในช่วงของการทำลมสั้นหนึ่งลมสั้นมันจะเหนื่อยบางทีมันนำไปสู่ใกล้เคียงกับความอึดอัดพอมาทำท่าจะอึดอัดเราก็หายใจออกแล้วเราก็ทำลมสั้นพอทำท่าจะอึดอัดเราก็หายใจเข้าเสี จิตยังอยู่กับลมหายใจนะลองดึงจิตมาอยู่ที่มือข้างขวานะการดึงจิตมาอยู่กับมือข้างขวาถ้าดึงไม่ได้ก็คือยกออกจากลมหายใจขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกแล้วเคลื่อนจิตไปวางไว้ที่เข้าข้างขวา ให้จิตรู้สึกว่ามือขวาวางไว้ที่เข่าข้างขวาแล้วยกจิตมาที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกเคลื่อนมือซ้ายวางไว้ที่เข่าข้างซ้ายขยับยกจิตมาที่ใบหน้า พาหกหน้าขึ้นมาเลดนึนงแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิพอออกจากสมาธิมันก็ยังมีจิตยังมีจิตที่เป็นอุเบกขาอยู่เนี่ยกันรู้ลมหายใจ มืตอกี้นี่เราเพียงแค่รู้ลมที่มันยาวรู้ลมที่มันสั้นแล้วเวลาเรารู้มันก็รู้สับไปสับมาเดี๋ยวมันรู้ยาวมั่งเดี๋ยวมันรู้สั้นมั่งถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดเลยมันมายาวก็รู้ไปตามยาวมันมาสั้นก็รู้ไปตามสั้นแต่เรากำหนดและเราตั้งใจที่จะรู้ลมยาวรู้ลมยาวเสร็จแล้วเราก็มารู้ลมสั้น ลมยาวเสร็จรู้ลมสั้นมาก็รู้ลมยาวมาก็รู้ลมสั้นมาก็รู้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฝึกการรู้ลมหายใจเมื่อ ก, กี้เวลาลมมันรู้ลมหายใจแล้วมันเกิดความคิดจิตหลุดออกไปคิด เดี๋ยวมันคิดเรื่องนู้นเดี๋ยวมันคิดเรื่องนี้มันไม่นิ่งเลยจะทำอย่างไรคำตอบพวกนี้เดี๋ยวตอนบ่ายก็จะมาคุยกันนะส่วนพวกที่อยู่เกา่าพอมาเดินจิตแบบนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองแบบมันได้แล้วอะเหมือนกับตัวเองผ่านแล้วอะอย่าเด็ดขาดเลยให้ ให้จิตมันทรงตัวแบบแบบการรู้ลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนั่นน่ะมันเป็นการแน่วแน่อยู่กับความเป็นกลางแล้วบางคนก็นั่งรอสภาวะไอสภาวะมันไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปนั่งรอมนะัน มันไม่ใช่เรื่องเลยที่เราจะไปนั่งรอมันสภาวะมันเป็นสิ่งที่มีปัใจจัยให้เกิดมันก็เกิดมีปัใจจัยให้ดับมันก็ดับเลยเรียกสั้นๆว่ามันเป็นสิ่งที่มีการเกิดดับเป็นลักษณะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะนั่งรอเพราะว่าเคยได้สภาวะใดๆก็นั่งรู้ลมหายใจไปเพื่อรอสภาวะนั้นมาอย่างเงี้ย ที่นี้เรานั่งตรวจดูตรวจเข้าไปดูจิตที่มันรู้ลมหายใจดูสภาพจิตจิตมันยังคงอนัตตนิยะอยู่นะตอนนี้จิตเรามากําลังอนัตตนิยะอยู่ด้วยคือมันละความพอใจในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนไปก่อนยังมีแค่จิตตั้งต้นรูปนามนี้ที่นำมาฝึกหัดฝึกฝนอยู่แล้วเราก็นั่งตรวจดูที ตรวจดูจิตที่มันรู้ลมหายใจตรวจดูลมหายใจที่มันถูกรู้ของจิตเรานั่งตรวจดูว่ามันเป็นอย่างไรรู้ที่มันรู้ลมหายใจนั่นนะให้เห็นเป็นสภาวะนี้ขึ้นมารู้ของเราเราเคยรู้สิ่งต่างๆด้วยตารู้สิ่งต่างๆด้วยหูรู้สิ่งต่างๆด้วย ด้วยลิ้นรู้กลิ่นต่างๆด้วยรสให้รู้กลิ่นต่างๆด้วยจมูกรู้สภาพต่างๆด้วยการสัมผัสทางกายรู้รูปต่างๆด้วยตาเวลาตาเราไปสัมผัสเกิดการเห็นขึ้นมาเวลาหูเราไปสัมผัสเกิดการได้ยินขึ้นมา เวลากายไปสัมผัสมันเกิดการได้สัมผัสขึ้นมาเกิดการถูกต้องขึ้นมาเวลาจมูกไปสัมผัสมันก็เกิดการได้กลิ่นเวลาลิ้นไปสัมผัสมันก็คือการได้รสการรู้ในรูปที่มากระทบตาทาให้เกิดการเห็นนั้นประการหนึ่งเป็นต้นการรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้น มันจะมีสัญญาอันผูกอยู่กับอาชวะคอยบอกเราว่าอันนั้นไม่ใช่เราไอ้ น, นั้นเป็นของเราไอ้ น, นั้นของเขาไอ้ น, นั้นของเราไอ้ น, นี่ของเราความผูกกันอยู่ของสัญญาอย่างนี้และไอจิตที่มันรู้ จากการสัมผัสต่างตาที่มันเห็นและมันรู้อย่างนี้มันไม่เป็นกลางซึ่งมันต่างกับจิตที่รู้สึกกับลมหายใจพอลมหายใจค่อยๆอ อ, ออกจิตมันรู้สึกว่าลมหายใจมันเคลื่อนเคลื่อนออกเคลื่อนออกเคลื่อนออกเคลื่อนออกเคลื่อนออกเคลื่อนออกจนสุดลมหายใจ จิตมันรู้ลมหายใจที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนเข้าเคลื่อนเข้าเคลื่อนเข้าเคลื่อนเข้าเคลื่อนเข้าเคลื่อนเข้าเคลื่อนเข้าจนสุดลมหายใจเข้าพอลมหายใจเคลื่อนออกจิตก็รู้ลมหายใจเคลื่อนออกเคลื่อนออกเคลื่อนออกเคลื่อนออกเคลื่อนออกจนสุดลมหายใจออกแล้วมันก็รู้ลมหายใจเคลื่อนเข้าลมหายใจเคลื่อนขยับจิตรู้จนสุดลมหายใจเข้ารู้นั้นน่ะ ที่เราพิจารณาทําการในใจของเราเองว่ารู้นั้นที่มันรู้ลมหายใจที่เคลื่อนรู้ลมหายใจที่เคลื่อนรู้ลมหายใจที่เคลื่อนตั้งออกและเข้ารู้นั้นมันไม่มีความลำเอียงอะไรนะมันไม่มีความตันหาทยานอยากมันไม่มีความกำหนัดมันไม่มีความมัวเมาใดๆนะมันเป็นเพียงแค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้ที่เกิดขึ้น ดดดโดยปราศจากความอยากโดยปราศจากความทยานอยากโดยปราศจากความลำเอียงโดยปราศจากความรักความชังใดๆมันก็แค่รู้แค่ร ah no ู้แค่รู้แค่รู้ลมออกแค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้ลมเข้าแค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้ลมออกแค่รู้แค่รู้แค่รู้ลมยากรู้นั้นก็จะนิ่งอยู่กับลมหมายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ พอราสังเกตได้ตรงนี้รู้สึกตรงนี้ได้มันจึงต้องทำอย่างนี้แหละบ่อยๆแต่บางครั้งมันอาจจะอยู่ในหมวดของลมยาวๆได้เราก็ทำลมยาวไปบางครั้งมันต้องอยู่ในหมวดของําทำลมปกติมันก็รู้ลมปกติไปบางครั้งมันอยู่ในหมวดของการทำลมสั้นเราก็ทำลมให้สั้นได้เราก็ทำลมสั้นไป แต่ลมจะยาวหรือจะทันหรือจะปกติเราจะต้องรู้ลมที่ไหลออกรู้ลมที่ไหลเข้าอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่รู้เราไม่เพียรเราไม่ขยันในการที่จะรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจจิตที่จะเป็นกลางอยู่กับกายจะมีการตื่นรวด จ, จะมีความรู้สึกตัว มันก็จะเกิดยากขึ้นเกิดยากขึ้นเกิดยากขึ้นเกิดยากขึ้นเกิดยากขึ้นเกิดยากขึ้นเกิดยากขึ้นเกิดยากขึ้นเมื่อความรู้สึกตัวเกิดยากขึ้นเมื่อใดจิตเราก็จะมืดลงมืดลงมืดลงมืดลงความมัวเมาก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราเกิดมาชาตินี้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ได้กี่ปีกี่วันกี่เดือนแต่ที่แน่ๆตอนนี้เรายังอยู่เรายังไม่ตาย และแน่ยิ่งไปกว่านั้นเราต้องตายแน่ๆเราจะต้องแตกต้องดับต้องขาดสลายชีวิตของเราจะต้องสับบัานลงอาจจะเป็นเย็นนี้อาจจะเป็นคืนนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าอาจจะเป็นพรุ่งนี้เพลนอาจจะเป็นพรุ่งนี้เย็นหรืออาจจะเป็นคืนพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นเช้าของวันมะรืนนี้หรืออาจจะเป็นไม่เกินเที่ยงของวันมะรืนที่เราจะต้องตาย ถามว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนั้นไหมมีสิทธิ์หมดเลยเราตายเวลาไหนก็ได้เพราะความตายมันเป็นอนิมิตมันไม่มีเครื่องหมายบังคับบง่งบอกเราเกิดมาแล้วมันต้องตายเพราะฉะนั้นเราโมชักช้าเรามัวไปหลงเรามัวไป เ, เปลือเล่อนเลื่อนโดยส่วนเดียวไม่ได้มันก็จะพลาดโอกาสทําไม่เสียเวลาเมื่อไรเรารู้สึกได้อย่างนี้ มันก็จะทำให้เกิดกำลังในการที่จะเข้าไปสู่ลมหายใจได้ไง่ายขึ้นนั้นการเข้าไปสู่ลมหายใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่ได้สติสมาธิอย่างเดียวแต่มันได้หลายอย่างถ้าใจเรามันไปไม่ไกลมันยังเกาะ อ, อยู่กับโลกเรียกว่ามันยังยินดีมันยังอยู่กับความโลภความโกรธมันยังอยู่กับความโลภ ค, ค, ความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ มันก็เป็นกำลังแค่เพียงพอให้เราอยู่ได้โดยไม่ไปละเบือต่อศีลถ้าเราทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆ อ, อ, อยู่บ่อยๆอยู่บ่อยศีลห้าของเรามันก็จะเกิดขึ้นเองจิตมันจะมีความสปายยะจะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากการละเบิดต่อศีลทั้งห้าจิตมันจะเว้นจากการฆ่าไปโดยอัตโดมัติจิตมันจะเว้นไปจยา ก, กาศ เ, เ, เ, เ, เบียดเบียนเขารับสินเขาโดยอัตโดมัติ จิตมันจะซื่อสัตย์ยินดีอยู่ในคู่ครองของตนเองมันจะปราศจากการมากๆในกามโดยอัตโนมัติจิตมันจะทรงตัวอยู่กับความซื่อสัตย์สุจริตมันจะหดเว้นจากการกล่าวคําเท็จเป็นอัตโนมัติจิตมันจะเจริญสติอย่างมีฉันทะคือมีความพอใจชื่นใจชอบใจกับการที่มีสติสัำปัญญะทําอะไรมันก็จะใคราครวญคิดพินิจพิจารณา อะไรที่กินหรือดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วมันทําให้สติสัมป ญ, ญญาถดถอยเขาจะหดเว้นเพราะฉะนั้นเราอยู่กับความโลภความโกรธความหลงเรายังไม่เข้าไปสู่สัมโพติมุตชั้นสูงสูงขึ้นไปยังอยู่เป็นมนุษย์ยังมีความโลภความโกรธความหลงเราจะทําอย่างไรมันก็อยู่อย่างเดิมนั่นแหละเพียงแค่มันไม่ไปละเมื่อต่อศินเท่านั้นเองัอ้นการเจริญสติการรู้สึกกับลมหายใจเบื้องต้นมันก็จะได้อย่างนี้ นอกจากนั้นเราให้จิตรู้ทรงตัวอยู่กับลมหายใจอย่างบริสุทธิ์อย่างนี้บ่อยครั้งเข้ามากครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้ามากครั้งเข้ารู้ตัวนั้นก็จะมีสติกับสมาธิตั้งขึ้นเกิดมาเป็นองค์คุณสมบัติของรู้นั้นด้วยสติที่ตั้งขึ้นไปกลืนอยู่กับเนื้อตัวของความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ย สติที่มันตั้งขึ้นกลืนอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวมันไม่ใช่สติที่เป็นเจตสิกแต่เป็นสติที่มันบริสุทธิ์มันอยู่กับจิตที่มันอยู่กับจิตรู้ที่ดั้งเดิมของแพ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยกั้นจิตให้ออกจากอารมณ์อันเป็นโทษถ้ามีการกระทบเกิดการกระเพื่อรรำที่จิตจิตก็ไปสวยอารมณ์ อาจจะมีโทสะเกิดขึ้นหรือโบหะเกิดขึ้นหรือราคะเกิดขึ้นอันใดก็ตามที่เกิดขึ้นจิตตัวตติตัวนี้จะคอยกั้นจิตให้ยืดยระระยะออกมาและจะมีระยะมีเวลาพอที่จะพิจารณาให้เห็นในการเกิดขึ้นของสิ่งนั้นๆเช่นว่ากระทบแล้วมันเกิดความโกรธจิตรู้แยกจิตออกมาแล้วก็ดูความโกรธพินิจพิจารณาเห็นโทษของความโกรธอันนั้น ในที่สุดเห็นถ้าความโกรธอันนั้นดับไปจิตก็รู้ว่าความโกรธนั้นดับไปก็เกิดความสว่างเกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นที่จิตขึ้นมานี่เป็นประสบการณ์รู้ของจิตอีกประการหนึ่งเขาจะรู้อย่างนี้จะเกิดประสบการณ์อย่างนี้บ่อยขึ้นจากการเห็นการดับไปของสภาวะอย่างนี้เรื่อยขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยขึ้นบ่อยขึ้นปัญญาของเขาก็จะค่อยๆเพิ่มูนขึ้นอันนี้เรียกว่าสะสมข้างบา ร, รมี ข้างบารมีให้กับจิตและทําทอย่างนี้ไปบ่อยๆไปเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดเราก็จะเกิดความรู้สึกกลัวบาปนะเกิดความรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปนลเกิดความรู้สึกศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นและเกิดความรู้สึกในการใช้ชีวิตโดยมีศีลเป็นกรอบที่สําคัญแล้วจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็ทําอะไรก็แล้วแต่จะไม่ละเบิดต่อศีลข้อที่หนึ่งโดยการฆ่าเด็ดขาด โดยการตั้งใจฆ่าโดยเด็ดขาดจะเท่านใช้ชีวิตโดยไม่เป็นระเบิดต่อศีลข้อที่สองโดยการหดเว้นจากการเบียดเบียนทรัพย์สินของปืนโดยเด็ดขาดอันนี้เป็นต้นนะมามาจากสติธรรมปัญญะที่มากับรู้ที่รู้ลมหายใจตัวนี้เพราะฉะนั้นในภาคเช้าของวันนี้เราอยู่กับลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตจิตรู้ลมหายใจที่ไหลออก ทำลมหายใจแต่งลมหายใจเป็นยาวบ้างเป็นปกติบ้างเป็นเส้นบ้างกันสลับเป็นชั้นบ้างสลับกันไปสลับกันมาเพื่อจิตจะให้จิตมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ก็เป็นอันสมควรแก่เวลาสําหรับภาคเช้าเพื่อให้คนนํามาได้ประโยชน์เสอเก็ยังมีเวลาอยู่นะประมาณห้าสิบ จะถามอะไรก็ถามได้ไอ้หนูจะถามไหมฮะเดี๋ย <Yeah. S 1> วต้องเดินนะเ <Yeah. S 1> ดินขยันเดินเนีเยอะเราจะต้องแก้ได้ด้วยการเดินในคนเนี้ยไม่ต้ถามได้ไหม <Yeah. S 1> บีมเก่ง <Yeah. S 1> มีหลายคนนั่งโอ้ยก็ยเดินจิตอย่างนี้ก็จะสบายหน่อยไม่ต้องนำเยอะนำแค่สองอย่าง mm. ยาวกับสั้นสั้นกับยาวเออมันก็ง่ายหน่อย บางคนไปนู่นแล้วก็ดีนะไม่ว่ากันบางคนก็เดินจิตไปนู่นแล้วก็ไม่ว่ากันก็ไปบางคนก็ไปนั่งเฝ้าลมหยุดอยู่แล้ว <c oughs> ไปนั่งดู <c oughs> ไปนั่งดู <c oughs> เหรอออไปนั่งดูลมหยุดแล้วก็ไปถ้าไม่เป็นไรอืม <c oughs> เดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะมาต่อจากเนี่ยก็ไล่อย่างนี้ให้เร็วหน่อยแล้วก็นั่งต่อไปหน่อยถ้ายังมีเวลาใครมีคําถามเลยไหมมันมีเวลาอยู่นะเดี๋ยวปล่อยไปเร็วเดีข้างล่างไม่เสร็จน่ามานั่งนี้ขี้เกียจหันมันเมื่อยคอนี่เลยนี่นี่ น, น, น, น, นถามมัอยู่ถึงถึงจะถามมาเลยจ้ะที่ ไปฟังในหลายที e ่อะค่ะรัฐทุกคนก็จะบอกว่ามาจากพระพุทธเจ้าแต่แต่ละที่ยังไม่เหมือนกันเลยเออทาไมอะทําไมไม่เหมือนกันแบบไหนอะตั้งแต่ละที่จะบอกว่าการทำบุญว่าทําอย่างไรจะได้บุญหรือทําอย่างไรจะเหมือนกับยังไงอะคือทั้งทั้งที่เขาบอกว่ามาจากพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจว่าเขาบอกเหมือนกันแหละแต่เราไม่เข้าใจเหมือนที่เขาบอกไหม ไม่เข้าใจอืมนั่นแหละเมื่อเมื่อไ อ, อ้คาว่าบุญหรือคำว่าธรรมะดีกว่าพอเราเข้าใจคําว่าธรรมะพูดยังไงพูดแบบไหนเหมือ น, นเหมือนเราเนี่ยมันตมาเนี่ยเพราะนี่มันเป็นปเทศอ่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นความทุกว่าไม่เคยได้เตรียมเนือ้อเตรียมตัวเทศพอเดินเดินไม่ถึงก็โยนไม้ให้แล้วเดินเดินไม่ถึงก็โยนไม้ให้แล้วเขบอกว่าไปเทศนี่หน่อยไปเทศเรื่องนีน้ทุกเรื่องอ่ะที่เทศอะ หัวข้อเนื้อศัพท์เป็นบัญญัติที่ต่างกันแต่เวลาพูดไปแล้วธรรมะมันเหมือนกันมันเหมือนกันหมด่ะที่เขาบอกว่าของพระพุทธเจ้าของพระเจ้าแต่ว่าเวลาเราไปฟังทีบัญญัติมันต่างกันไปถึงตรงนู้นบัญญัติเขาว่าธรรมะไปถึงตรงนู้นบัญญัติเขาว่าบุญไปถึงตรงนู้นว่บัญญัติเป็นรูปแบบของบาลีตรงนี้บัญญัติเป็นรูปแบบของภาษาไทย บางครั้งเป็นบุรูปบรรจุรูปแบบของภาษาอังกฤษอืมบางทีมันก็เป็นรูปแบบของบาลีผสมอังกฤษบาลีผสมไทยไทยผสมบาลีก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยอะไรแต่เมื่ออธิบายแล้วความจริงเข้าไปถึงมีหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าความจริงไม่ไม่อะไรถ้าเป็นความจริงแล้วมันไม่อะไร เออความจริงไม่ขัดกันอืมถ้ามาฟังที่นี่แล้วมันจริงฟังที่โน้นมาจริงจริงดองที่ไม่ขัดกันถูไหมจริงอะ่ะมันไม่ขัดกันโดยเฉพาะจริงที่มาจากผู้ที่รู้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนโดยธร่มาชาติจริงๆแล้วไม่มีขัดกันดูดีเถอะเมื่อกี้บอกว่าบุญอย่างเงี้ยคนโน้นบอกว่าทาอย่างนั้นทาอย่างนี้เออเมื่อกี้เราก็ลืมพูดไปนะ บางคนมาฝึกผลมาปฏิบัติไม่ใช่ต้องการอะไรมากอยากได้บุญ <laughs> อยากได้บุญเ <laughs> อ้อย่างอื่นนิพพงนิพานจะไม่เอาหรอกมันเวลาเขาอารตนาศีเห็นไหมสีเลนะทุกกระติงยันติสาธุใช่ไหมสีเลนะโพกัสัมปทาสาธุสีเลนกก ะ, น, ล น, ะล น, นิปุติงยันติเงยีบงยบเงียบ สังเกตมีสาตุอยู่สองทีก็จาไม่สาธุหรอกไม่เอานิพพานอ่ะอืก็ไม่เอาอนิพพานวัะขอเพียงแค่ได้บุญก็มาเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตให้ลูกมันเป็นบารมีก่อถ้าเป็นแม่นะถ้าเป็นแม่เดี๋ยวผู้หญิงส่วนมากก็จะเป็นถ้าเรื่องแบบนี้จะเป็นหัวเรือใหญ่แบกจังเลยแหละทำบุญนี่ใส่บาตรนี่อธิษฐานนาน ถ้าทำบารชบาทแล้วก็อธิษฐานนานนั่งสมาธิแผ่เมตตานี่ก็จะโอ้ยลึกยาวไหนจะสามีไหนดีไม่ดีมดันเผื่อไปถึงพ่อแม่สามีด้วยไง <c oughs> ไม่พอมไปดึงน้องสามีอีกน้องสามีมพอเป็นหลานลูกหลานสามีอีกแต่ว่าออกไปลูกตัวเองก่อนนะไปถึงตัวลูก ตัวเองสามีตัวเองพ่อแม่สามีพี่น้องสามีหลานลูกลูกของหลายของสามีมกี่คนอมว่ผู้ผู้ผู้หญิงจะเป็นแบบนี้ถ้าผู้ชายเนี่สั้นๆั้นหุนหนผู้หญิงนี่จะรายตัวถ้าผู้ชายสั้นสั้นหุนหนขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขความสุขเถิดเนี่ยผู้ชายมันจบ <c oughs> แล้วมันรีบ <c oughs> แค่นี้ยแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยตั้งท่าแล้วนะ <c oughs> สังเกตดูเล่นโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นะไปวัดไปวาไปดูไม่เหลือแล้วนี่นี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่นับพระ <c oughs> ผู้ชายห้านี่ผู้หญิงเท่าไหร่ <c oughs> ท่านไมเนียก็บอกได้นะผู้หญิงเนี่ยเลี้ยงศาสนา เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะความรู้สึกว่าความรับผิดชอบในชีวิตเนี่ยมันสูงมากใช่ไหมอ๋อความรู้สึกว่าความรับผิดชอบในชีวิตนี่มันโอ้มันมันสูงมากมก็อยู่ที่ใครอยู่ที่ผู้หญิงคว า, ามคิดพอหลุดออกไปจากตัวปั๊บไม่ไปไหนเลยอะ่ะ มันไปที่ภาระไปที่หน้าที่ที่มันไปแบบสนุกสนานรื่นเริงมันเทิงใจธรรมะเลยจ่าตุมราหาราชิกดาวดึ ง, งมันไม่ไปอ่ะมันไปในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ <c oughs> นั้นผู้หญิงยังเข้าปฏิบัติธรรมกันเยอะมากส่วนใหญ่ก็มุ่งเพื่อที่จะเอาบุญเนี่ย เพื่อที่ไปชำระ ส, ะสางบำบัดอุปถัมภ์คำจุนดูแลรักษาเรื่องราวในชีวิตของตนเองเนี่ยให้มันดีทั้งทงที่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ตัวที่จะคอยไปจัดการทุกอย่างให้มันดีคืออะไรคือสตินะสติสัมปชัญญะนะอืมแม้กระทั่งบุญที่เขาพูดถึงกันก็จะต้อง เกิดขึ้นด้วยอํานาจของสติสัมปชัญญะนะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะมันก็จะเป็นบุญที่เลือ่อนลอยพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงอภพิเริากัลลยาเนาปปะปจิตังนิวรารเยทันทังหิกระโตบุญญะปาปะาปสัมิงรมติมันโดปุ ญ, ญญเจปุริสุกิยากริยาเทนังบุณณปุณังตามิฉันทังกริยาธาสุขโขปุญญสะสัอุทจโยเราปรารถนาความสุขความสุขที่เราปรารถนานั้นมันจะได้แน่นอน ด้วยการสะสมบุญบุญที่เราจะสะสมนั้นมันจะสะสมขึ้นได้มันจะต้องมีฉันทะฉันทะที่ว่านั้นก็คือฉันทะในบุญที่ตนทำฉันทะจะเกิดขึ้นจากทําให้บุญตั้งที่ใจของเราได้สามวาระของเจตนานจึงจะเป็นฉันทะหรือจึงจะเกิดการสะสมมันไม่ใช่ว่าเราไปใส่บาต เรานั่งสวดมนต์หรือทําอะไรทำอะไรต่จะเป็นการสะสมบุญแล้วถ้าไม่เกิดฉันทะในนั้นมันสะสมไม่ได้หรือในขณะเดียวกันไม่ไม่ได้เป็นฉันทะแต่มันเป็นเป็นปฏิคะแทนที่มันจะสะสมมันก็คาเป็นโทษเรานั่งทําบุญแล้วเราได้โทษเหมือนกับเรียกว่าทําบุญได้บาปใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนอย่างนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าบุญจะตั้งขึ้นด้วยมั่นคงจากการที่เรามีสติสพยยัพพัญญะสติถึงมันสำคัญกว่าเพื่อนนะสติอ่ะถึงบอกว่าการรู้ลมหายใจบ่อยๆที่พระพุทธเจ้าสัตว์ว่าอายะเบวะอนาปานาสติสมะติสัตุกังมานสิกาตะโพอนาปานาสตินี้พึงทำให้จงดีเถิดหมายความว่า ให้อยู่กับลมหายใจนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบุญที่ทําก็จะส่งผลเร็วมีกําลังมากขึ้นทําไมมันจึงมีส่งผลเร็วและมีกําลังมากขึ้นเราก็เพราะว่ามีสติเข้าไปอุบการะอยู่นี่ที่โยมก็ถามว่ามันคือถามไม่ใความอึดหัด่ะไปตรงนู้นก็พูดอย่างหนึ่งไปตรงนี้ก็พูดอย่างหนึ่งพอปฏิบัติตรงนี้ไปยังไม่ทันถึงไหนเลยไปตรงนั้นก็บอกว่าปฏิบัติอย่างนี้ออย่าง เพราะเราติดบัญญัติเราเข้าไม่ถึงเขาเหมือนกันนี้ก็เหมือนกันนะอนบางคนวัดดูทองพองยุบบางคนก็พุโทโธบางคนก็สัมมาอรหังโอ้ฉันไม่รู้จะเอาแบบไหนนะหลวงพ่อบอกว่าถ้าดูท้องพองยุบมันก็ไปให้ถึงที่สุดของท้องพองยุบเถอะไปให้ถึงที่สุดของวันดูอ่ะมันก็จะลงไปที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ว่าอาจจะระดับใดระดับหนึ่งะ พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนในรูปแบบใดในรูปแบบหนึ่งสอนตรงเข้าสู่ในความเป็นธรรมชาติของสัจจะที่มันควรจะเป็นเท่านั้นแต่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อเวลาท่านออกปฏิบัตินะ่ะท่านปฏิบัติไปตามจริตไปตามความถนัดหรือตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาพอปฏิบัติเสร็จแล้วไปถึงจุดหนึ่งท่านก็เข้าไปถู่ทางเดียวกับพระพุทธเจ้าหมดนะ เหมือนคนไปถามหลวงปู่ไดโนเสาร์รู้จักนหลวงปู่หลวงปู่พูดโตไปนิพพานไดไหมหลวงปู่บอกว่าไงนะเอ้ยนิพพานอะไรก็เอาเข้าไปไม่ได้มันเป็นแค่ของพอดีตัวนี่หลวงปู่เลยเช่าเข้าใจคราบ่าพอดีตัวไหมคขาบ่าพอดีตัวคือเสื้อผ้าก็เอาไม่ติดไม่ได้นะเวลาผ้าไปนิพนนนพานมันนิพพานมันคือเรามิ ตัวแค่ไหนส่วนโค้งส่วนวอลส่วนนูนส่วนไหนแบบไหนมันต้องตัดแบบพอดีตัวเป๊ะห <c oughs> มายความว่าพุทธะก็ไม่ได้อะไรอะไรก็เข้าไปไม่ได้บุญบาปก็เข้าไม่ได้เหตุผลทั้งหลายแหล็ก็เข้าไปไม่ได้ในนิพพานอ่ะมันเป็นของแก่พอดีตัวเป๊ะหงปูในตัเนี่เป็นเป็นคนที่ได้ธรรมะแล้วมันตอบแล้วมันขาดจบออื อ, อบแคนฟังไม่เข้าใจเออคนฟังไม่รู้เข้าใ จ, ใจแต่ท่านตอบจบแล้ว อ, อ๋อเหมือนหลวงพ่อคุณน่ะหลวงพ่อคูณเขาบอกหลวงพอ่อเป็นค่ท่านหลวงพ่อคูณเจอไหมก็ออกขับรถไปถึงรถคว่ำเนี่ยหลวงพ่อไปถึงง่ายหลวงพ่อเจอไหยทำไมมันพูดความเหมือึงกับเท่าไหร่ <c oughs> อ๋อไม่ไม่ใช่ง่ายนะโยมอย่าคิดใจว่าเอ้พระพูดแบบนี้คนไ ม, ไม่มีธรรมะไม่ฝึกจิต ไม่มีทางที่จะพูดแบบฉับพลันทันทีอย่างนั้นได้นะผมขับเท่าไรผมขับ1 2ร้อยี่สิบโอ้ยกูลงตั้งแต่หกสิบแล้วคือผมไปพูดในสภาพของธรรมะที่เข้าถึงแล้วนี่มันเหมือนกันหมดอ่ะมันทันกันหมดอ่ะแต่มีทางที่จะเฉลยของโยมนะ คือบางทีตอนแยกให้โยมตอบถามเนี่ยมันอธิบายไปเนี่ยมีทางอย่างที่จะเฉลยโยรู้ลมหมายใจเยอะใช่ข้องใ จ, จงอยู่อาจารย์นะผมก็ไม่เข้าใจอืเขาบอกว่าการทำบุญนะอย่อ า, างที่เราทำอยู่ทุกวันเนี้คือเราใส่บาตรหรือว่าเวลามีงานวัดงานอะไรลอ ย, ยไปทางบุญถาวายสังฆทานหรือว่าเขียนอะไรที่ในวัดมีต่างๆีกเห็นคุณทรายอะไรเขาบอกว่าขเขาบอกว่าบุญ คืออย่างนี้แต่อย่างนี้แต่เขาบอกว่าถ้าโง่ไม่ได้หรอกนะคือถ้าโง่อ่ะทำให้ตายก็ไม่ได้แต่ถ้าฉลาดทำเท่าไหร่ก็ได้เข้าใจไหมไม่รู้อ่ะคนในแสนโลกธาตุนี้ไอ้เรื่องที่โยมพูดถึง ถ้าโง่ทำให้ตายก็ไม่ได้แค่ฉลาดขึ้นมาทำนิดเดียวกว็ได้ไอ้เรื่องที่โยมว่า น, นั่นแหละเข้าใจปะอืใครกล้าพูดว่าการหลอก่อเจดีทซายโง่เใครยกมือพูดดิโง่โง่ไรสาระนายยกมือพูดดิใครกล้าพูด การไสน้ำมันตะเกียงเติมน้ำมันตะเกียงตามวัดวาอารามไหนใครกล้าพูดว่างโง่เ ห, หลีวไหลระสะระยกมือขึ้นอ่าไม่กลา้าใช่ไหมไม่กล้าใช่ไหมเพราะกลัวฉลาดหรือกลัวงโง่ไอคนที่เ็าคิดเนี่ยมันฉลาดทั้งนั้นแหละแล้วถอยกลับไปสิอ่ ถอยกลับจากวันนี้ถอยกลับไปสองรอปีเรารู้ศาสนาจากอะไรฮะเออเ อ, เ อ, เ อ, เอเธอเริ่ม อ, อินแล้วนะ <laughs> เรารู้ศาสนาจากอะไรคนถอยหลังกลับไป200รปีมันอ่านหนังสือออกกี่เปอร์เซ็น มีมือถือมีเขีย่ยไม่เขียรูดปื๊ดรูดปื๊ดมีไหมแล้วมันรู้จักอะไรฮะก็บัณพระบุตษรู้รรรจักต่อกันมาต่อกันมาอะไรอย่างเงี้ยเออและหลังจากนั้นเนี่ยพวกนัน่นก็รักษารักษาศ า, าสนาด้วยสัญลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมสืบทรมมาไอคนสมัยนี้โอ้ยไปนั่งก่อเจอดีย์ชายลำบาก อ๋อเดี๋ยนี้เดี๋ยนี้อ้าวไปทำสังฆทานที่วัดใช่ไหมต้องนั่งรถแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่เดี๋ยวนี้ก็ลำบากไม่รู้มันไปรับลูกค้าจีนมาเปล่าเอ๊ทำยังไงดีวะอยู่ที่บ้านโทรศัพท์ไปหาแกลบดีวะใช่ไหมอ้าวแกลไปถวายสังฆทานที่วัดบุพารามหน่อยพอไปถึงเอ๊จักรวดน้ำทำไงดีวะตัวไม่รู้ทำไมดียออวีดีโอคออ่าอเไร แกบก็กดโทรศัพท์พระก็ให้ยะถาโยมกานั่งปวดน้ำอยู่โน่วีดีโอคอร์ฮโง่หรือฉลาดโง่หรือฉลาดโง่ห ร, งหรือฉลาดไม่ได้อยู่ที่การกระทำนั้นอยู่ที่ความคิดของคนที่เข้าไปสัมผัสเรื่องราวจำไว้ โง่หรือฉลาดไม่ได้อยู่ที่น้ํามันตะเกียงไม่ได้อยู่ที่เจดีย์ทรายไม่ได้อยู่ที่กองผ้าป่าไม่ได้อยู่ที่กองกระถินอยู่ที่ความสัมผัสความรู้สึกความรู้ของคนที่ไปสัมผัสต่อสิ่งนั้นๆโง่หรือฉลาดเข้าใจเปล่ า, า, าเออมันอยู่ที่เราเราจะเลือกให้ใจของเราเสพสิ่งที่เป็นธรรมหรือสิ่งที่เป็นอะธรรม และเราจะเอาใจของเราเนี่ยไปวางไว้ด้วยพื้นฐานความเชื่อความพูดการแสดงความคิดเห็นของคนอื่นได้ไหมได้เปล่ามันไม่ได้นะมันไม่ได้คว า, ามรู้ในทางาศาสนามันมีคว า, ามรู้ในบริบทของคำว่ารู้เนี่ยมันแตกออกเป็นสามชั้นส่วนมากเรา รู้อยู่ชั้นเดียวเรารู้ชั้นเดียวและเราเข้าใจว่าเรารู้แล้วไปเถียงเถียงเถียงสุดท้ายมันก็ด่ากันโอ้ยติดตามหลวงปู่หลวงพอ่อโอ้ยฉันลูกศิษย์หลวงปู่นี้หลวงพ่อหนี้นะติดป้ายขึ้นชื่อติดป้ายขึ้นชื่อพอเขาบอกว่าโอ้ยไปที่หลวงพอ่อโ น, น้นไม้หลวงพ่อโน้นนั้นดีดีโ้ยจะไปหลวงพอ่อโน้นทําไมหลวงพอ่อหนี้เราก็อยู่ลูกศิษย์หลวงพอ่อหนี้ไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วอีควาย หัวควายดีหัวควายเพราะควายมันดีกว่าใช่ไหมหลวงปู่โน้นลงมาค่ายมันก็หลวงปู่นี่ไปรูปภูเขาควายมันก็ดีอกดีใจหลวงปู่น้นมาควายมันก็ดีอกดีใจหลวงปู่น้เอาหญ้ามาให้ควายมันก็ยิ้มกินหลวงปู่น้นเอาน้ำมาให้ควายมันก็กินกิกนเพราะฉะนั้นโง่ยิ่งกว่าควาย <c oughs> ถูกว่าเ <c oughs> ออ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ที่ ไม่ได้อยู่สิ่งที่เราเรียกอยู่ที่ความรู้สึกของคนที่เข้าไปสัมผัสถึงนั้นโง่หรือฉลาดการก่อเจอดีทรายในความหมายเขาว่าอะไรรู้ว่ฮะพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในตำนานนะ<ม>ก็ก็ก่อเจดีทรายเพราะว่าก่อเจดีขึ้นมาเพื่อที่จะอธิษฐานใจว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเถิด เพื่อที่จะรื้อขนสัพสัตว์ออกไปจากกองทุกข์แล้วเราก็ก่อเจดีทรายเพื่อบูชาต่อความรู้สึกของพระโพธิสัตว์ที่ตั้งปณิธานปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้ ง, แ ต, งแต่ละครั้งที่พระองค์ทรงอธิษฐานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งได้ตรัตรู้ข้าพเจ้าขอก่อเจดีทรายนี้เพื่อบูชา <c oughs> ทุกทุก <c oughs> แรงปรารถนาที่เกิดขึ้นทุกทุกภพทุกๆุกๆชาติต่อพระองค์ไอ้นี่อย่างนี้โง่หรือฉลาดเพราะอะไรเพราะอาธิษฐานแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใช่ไหมแต่ถ้าไปทําเจดีซายขอให้เจดีนี่จงเป็นเหมือนเจดีเงินเจดีทองขอให้ข้าพเจ้าจงร่ํารวยซื้อหวยให้ถูกหวยซื่เอเบให้ถูกเบอร์ ลงทุนร so so ้อยให้ได้แสนลงทุนหมื่นให้ได้ล้านคือมันมันมันมันไออย่างนี้ขออภัยนะโม้หรือไฉเพราะมันเกินจากเหตุและผลน่ะขัดแย้งกับความเป็นจริงถูกเปล่าและสิ่งที่ได้คือความหลอกลวงถูกไหมสิ่งที่ได้คือความหลอกลวงลงทุนร้อยขอให้ได้หมื่นจะได้เหรอเดี๋ยวนี้ จะได้ไหมฮะมันมันถ้าลุกแบบนี้โหมดมีเท่าไหร่ก็หมดลงทนหมืน่นขอให้ได้ล้านยา เ, เกิดชาติหน้าชาตหนึ่งชาติได้ขอให้สวยเหมือนนางทามจักราวาลแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะมีคดีฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันไม่หวาดไม่ไหว เพราะคนผู้หญิงผู้ชายเวลาแต่งงานไปนอธิษฐานเนะี่ยพ่อแม่สุดมากไอ้เจ้วตัวก็ไม่เท่าไหร่หรอกมีลูกขอให้ออขอให้สวยเหมือนนางงามจักรวาลเสียงเพราะเหมือนนักร้องอะไรไปเจ้อธิษฐานขอมาพอได้มาไม่เห็นมันตรงกับที่อธิษฐานนะคนทำไมไม่ไปฟ้องร้องหมอดูบ้างทำไมไม่ไปฟ้องร้องพระพุทธรูปหลวงปู่หลวงพ่อบ้างว่าได้ไม่สมความปรารถนา ใชเปล่เออพระเครื่องวัตถุมงคลที่เขาทาขายกันน่ะเห็นยังรุ่นนี้เป็นไงมหาเพิ่มพูนทวีทรัพคำนวณดูทีอ่ะมหาเพิ่มพูนทวีทรั์หมายความว่าทรับมันทวีใช่ไหมแล้วก็จากทวีได้มันเพิ่มพูนพอเพิ่มพูนแล้วก็ มาหาอีกโหแล้วตกลงเป็นไงตลกลงเป็นไงเพราะฉะนั้นโง่หรือฉลาดอยู่ที่เรานะอืมจาไว้อยู่ที่เราโง่หรือฉลาดอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่เขามาบอกปลอยเตาร้อยตัว มีชีวิตหมื่นปีมีคนปล่อยไห ม, มฮะเพราะอะไร <c oughs> เพราะหมื่นปีมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ปล่อยเตาร้อยตัวหมดหนี้หมดสินทำยัง ไ, ไง <c oughs> เอาไหมเริ่มมีคนเอาแล้วปล่อยเตาร้อยตัวยังไง เพราะฉะนันจำบาบในชีวิตของเราไม่มีใครทำให้เราโง่หรือฉลาดเรานี่อยู่ที่เราอยู่ที่เราเลิ้นมันสามารถรู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มได้ด้วยตัวของมันเองทับพีแม้อยู่ในหม้อแกง ก็ไม่สามารถไม่สามารถใช่ไหมทางทางที่รถเปรี้ยวหวานมันเค็มนั้นมันเป็นอยู่เหมือนเดิมแต่การรับรู้รถเหล่านั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราเป็นลิ้นหรือเป็นทับผีอันนี้ฉันใดเหมือนกันเลยเพราะฉะ น, นถอยใจตัวเองออกมาแล้วก็ทำในสิ่งที่ที่ที่ตัวเองทำอะให้มันถึงที่สุด ในเรื่องของของศาสนาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องมีคือเชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อพระพุทธเจ้านอย่างที่บอกกตรงนั้นก็ว่าอย่างตรงนี้ก็ว่ามันว่าเหมือนกันเลยเอาอย่างไรที่ว่าเหมือนกันหนึ่งเราไปที่ไหนงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาจะต้องมีอะไรอ่มีอะไรมีไหว้พระใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องหนึ่งเราต้องไหว้พระ อรหังธรมมาธัรมพุตโตภะควาพุธแล้วก็สวดมนต์ที่ไหนที่ไหนก็กกมีสวดมนต์ใช่ไหมเลยพระสวดมนต์จากนั้นก็มีอะไรอันที่สองก็คือศีลเห็นไหมล่ะไปงานไหนงานไหนงานไหนนับพบว่าไอ้พระอารหังสมาเสร็าเขาอาราธนาศีลเราจะต้องถือศีลรักษาศีลให้เป็นต้องประคองจิตให้ได้ในไปนให้จิตใจเนี่ยมันเป็นศีลเอาอันที่สามไปเลย มีอะไรให้ทานใช่ไหมอืมให้ทานอันเนี้ยทื่ทําำตามเราพูดเจ้าไว้ก่อนอืมแล้วค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ฟังธรรมอย่างวันเนี้ยฟังธรรมฮะฟังมาฟังธรรม เพรัรักษาศีลไหว้พระรับศีลให้ท่านและก็ฟังธรรมเป็นเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นค่อยฝึกฝนการเจริญจิตตภาวนาพอไปเจริญจิตตภาวนามันจะทําให้การไหว้พระสวดมนต์รับศีลความธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นสารขึ้นมาทันทีเพราะนั้นบุญถ้าเราสามารถเข้าไปสืบการเจริญจิตตภว น, นเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยขออภัยนะนี่เราเพิ่งมาใช่ไห ม, มเนี่ยพวกเนี้ย บีกี่ครั้งให้ลูกบอกให้คุณนาเดี๋ย้คุณพี่จะเป็นนาป้าหรือเข า, อาบอกให้หน่อยกี่ครั้งพีสามสิบ <30. S 1> เห็นไหเป็นไงสามสิบครั้งเพราะฉะนั้นส่วนมากพวกนี้จะไม่ค่อยมีอันเือดนะถ้าเป็นการเื่นก็ไปไหนมาไหนก็จะต้องพบที่กวดน้ำมืออาชีพ ตพวกนั่นพวกนี้แต่พวกนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นละเพราะพอเมื่อเข้าสู่บุญที่ชื่อว่าจิตภาวนาเนี่ยมันจะมีที่พึ่งมันจะมีที่ยึดมันจะมีที่ยืนมันจะรู้หลักในในใจของมันทิ่นแน่แน่แน่แนอ น, นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าสู่กันเจริญจิตภาวนาเนี่ยเราก็จะต้องฝึกฝนบ่อยๆมาบ่อยๆเดี๋ยวเจอกันภาคบ่ายนะ